หลอกตัวเราเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็สังเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนี่ปดังนั้นเรามาที่นี่ต้องการทำพูดคิดต้องดูจิตดูใจดูการเคลื่อนการไหวของเราเองพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้แต่อิริยาบถทั้งสี่นี่ก็ยังไม่พอกัน ต้องมีสติกำหนดรู้ติดตามในอิเดียบทย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไว้โดยวิธีใดก็ตามเพื่ออะไรเราไม่ทำเลยมีเตีนเรียนกันอย่างนั้นเนีลยเมื่อเราไม่ทำจะรู้ไหมไม่รู้ก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนเที่ยวคนณันญาไปอย่างนั้นอันนี้คนนำมาเตือนกันถ้าไม่รู้เองอ่ะจะไปสอนคนอื่นได้ไหมไม่ได้สอนก็สอนแต่อิเดียผิดผิดทุกทุ ก, ทกสเปะสป่าไปอย่างนั้นแหละเพื่อ ท่านให้กําหนดรู้คือให้รู้ตทุกนั่นเองจ้าวาทุกสมุทัยนิโรธมักทุกต้องรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งนัสติปฐานสิเรียกว่าวิปัตนากรรมฐานแต่เราไม่เคยดูแต่สํหนาเขาว่าทุกเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่จิตตายผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันต้องแห้งต้องแหวไป แต่ความจริงอันนั้นมันทุกข์กับตำหนักความจริงท่านสอนให้เรามีสติเข้าไปกาหนดรู้ในเรืยบทนั้นก็หมายถึงท่านอยากให้รู้ทุกกันเองเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นทุกขงังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาทุกขังหมายถึงรูปเนี่ยมันติดกันอยู่รูปกับนามมันติดกันอยู่แยกกันไม่ได้เหรอทุกขงังอนิจจังนั่งนิ่งๆไม่ได้มันมีการเคลื่อนไหวพิษตาหายใจนึกคิดเนี่ย อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บัดนี้นี่เราไปทำกรรมฐานจําเป็นต้องนั่งหลับตาคว่ำเข้าใจผิดของคุณจียงว่าทำสมาธิเนี่ยนั่งหลับตาคำว่านั่งหลับตาว่าศึกษากรรธรรมชาติได้อันนั้นมันผิดธรรมชติธรรมชาตตาต้องมีคนเดินผ่านไปมาต้องเห็นตามีสําหรับให้ดูหูมีสําหรับให้ฟังจมูกมีไว้สําหรับดมกลิ่นปากเรากินอาหารเข้าไป มีไว้สําหรับลู่รถกายของเราเลูกของเรามีไว้สําหรับสัมผัสเย็นน้อนอน่อนแข็จิตใจมีไว้นึกคิดอันนี้ไปนั่งหลับตาแล้วกอกปืนธรรมศาสตร์มันนะมันไม่รู้จักพิสเลือดท้ายแหล่ขวดไม่รู้นึกว่าตัวเองทํากรรมฐานแต่ไม่รู้กรรมฐานคืออะไรไม่รู้มันไปติดเขาอย่างนั้นแต่มันก็นดีไม่ใช่ไม่ไม่ดีเนี่ยมันดีดีแบบไม่รู้นึว่ารู้อย่างไม่ ร, ร, มรู้รู้อย่างผู้รู้ ให้เราเขาจรู้อย่างคนไม่รู้นะรู้อย่างผู้รู้นะรู้อย่างผู้รู้ก็ต้องรู้ตามแบบแผนแนวที่พระพุทธเจ้าสอนดังนั้นจึงว่าเอาบุญก็ได้เอาสวรรค์ก็ได้เอานิพพานก็ได้จริงว่าทางก่วงยาวไกลไปให้ถึงถ้าเราไม่เดินไปถูกจังหวะแล้วเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบเห็นสวรรค์ น, นิพพานได้ต่อเมื่อมาเข้าใจกรรมคือการกระทำนั่นเอง จะทำดีทำชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อสนๆกกรรมคืออะไรพวกคุณ ก, กรรมคือการกระทำนั่นเองทำดีก็เป็นกรรมทำชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้นๆกฎแห่งกรรมหมื น, นีงในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไร กรรมกฎแห่งกรรมคือการกระทํานั่นเองเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่สุกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคําว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าซ่รราคือเกิดแก่เจิดตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง เนื่องกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทํากฎของธรม ร, รมศาสตร์มันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายตัวลงไปเป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างมีไว้ว่าคือว่ต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรม ร, รมศาสตร์นั้นบัะเด็ข้อที่สามอะไรเป็นเหตุให้ทํากรรมกระเพราะว่ากรรมนั่นเอง เป็นเหตุให้ทําคือการกระทํานั่นแหละจะพูดกันในนันกเรียจิตใจนั่นเองจิตใจนี่แหละมันไม่มีตัวมีตัวจิตใจที่เป็นกดศนจิตใจที่เป็นอกนุศลนี่ว่ามันพระเอิญเหตุเหล่านี้ให้ทําได้ทําดีทําชั่วแต่เมื่อเรารู้สึกศึกษาให้ถึงกดแห่งกรรมจึงจะแก้ไขได้เรื่องกฎแห่งกรรมปีนั้น ข้อที่สี่วิธีดับกรรมทําอย่างไรก็พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากเราเสื่อมําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาว่าอย่างนั้นเพราะคูบาอาจารย์สอนมาว่าอย่างนั้นพอแม่เล่ากันมาว่าอย่างนั้นถ้าต่อพ่อของพ่อ แม่ของพ่อเล่ากันมาหลายซั่วคนแล้วพูดว่าให้จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเป็นวิธีที่จะดับทุกได้ทันวันจะพ้นปจากโกลทุกวันแต่ก็ไม่รู้ทำอย่างไรไม่รีอาตมาไม่รีทีงว่าเป็นวิธีที่ทําคนรู้สึกตัวอาตมามาทําอย่างนี้นข้อที่ห้าเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกลำ่ำ คำว่ายุ่เหนือกรรมก็ยู่เหนือขมทุกยุ่เหนือการกระทําเหนือขมคิดแต่ว่าเห็นขมคิดยู่เหนือขมคิดนั่นเองแต่ว่ามันพูดยากคื อ, อยู่เหนือเหนือออกหน้าของขมคิดนั่นแหละที่ว่ายู่เหนือกรรมได้ยุ่เหนือ ก, รรการกระทํานั่นได้เพราะยู่เหนือแล้วคือว่าเหนือกรรมเหนือกรรมดีกรรมชั่วทั้งหมาอย่างนั้นภูทุศน ข้อที่หกเนี่ยปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่แต่เมื่อเป็นปุถุชนอยู่ยังอยู่เหนือไม่ได้แต่ปุถุชนนั่นแหละสามารถที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นได้ถ้าหากว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วไม่ต้องทาอะไรก็ได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจําเป็นต้องทําจําเป็นต้องศึกษาถ้าหากรู้แจ้ง รู้จริงแล้วจกศึกษาทำไมเพื่ออะไรก็รู้แล้วคนที่ยังไม่รู้นั่นแหละต้องศึกษาแต่เมื่อยังไม่รู้ก็ยู้เหนือกรรมไม่ได้แต่เมื่อรู้รู้แล้วจึงจะยู้เหนือกรรมได้แต่ยู้เหนือกรรมก็ยังไม่รู้ปุรุษชนยู่ใต้กรรมก็ยังไม่รู้ดังนั้นจึงปุรุชนเป็นผู้หนาคําถามอย่างเดียวกันแต่ว่า มันไม่เหมือนกันข้างเคียงคล้ายๆคือกันแต่พูดตอบพูดแก้ก่อคล้ายๆมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องว่าแต่ก็ต้องให้รู้เองเห็นเองพ่อที่เจ็ดนั้นว่าการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาจะถือว่าเป็นการกระทํากรรมหรือไม่ก็เป็นการกระทํากรรมเหมือนกันแต่ว่าตัวหลวงพ่อ หรือตัวตัมมาเนีเข้าใจว่าการกระทำเนี่ยคือกรรมการกระทำเนียคือกรรมกรรมจึงว่าเป็นการกระทํคำคำคะารรทให้รู้สึกตัวตื่นตัวให้รู้สึกใจตื่นใจเมื่อไม่รู้สึกตัวก็ไม่ตื่นตัวเมื่อไม่รู้สึกใจก็ไม่ตื่นใจเนี่ยมันเป็นอย่างกันเมื่อรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจการทําพูดคิดก็รู้สึกดีไปอย่างนั้นบันทึกข้อที่แปด การเป็นอยู่ของสัตว์โดยธรรมชาติเป็นกรำหรือไม่ตัวอย่างเช่นแมวกินหนูหรือพมเข้าซานเป็นต้นก็นเป็นมนเป็นธรรมชาติมันเป็นอาหารของสัตว์แมวมันกินหนูมันเป็นอาหารของมันมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้าม ที่เป็นอาหารของมันมันต้องกินเพราะมันไม่รู้มันต้องกินมันกินก็กินดิบกินแดงไปอีกด้วยนะมันไม่เคยต้มเคยหงกินดอกอย่างเสือหรือแมวหรือสัตว์อื่นๆในดักกินมันไม่เคยใส่ใยแต่ว่าใยธาตุของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเผาอาหารอ น, นันตได้เช่นเดียวกันแม่คนกินดิบก็มี กินสุกก็มีไฟท่าก็เผาเช่นเดียวกันดังนั้นจะถือว่ากรรมก็ได้จะถือว่าไม่กรรมก็ได้มันเป็นอย่างไรเพราะความเป็นอยู่สรญญาตยานของสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นยางพรมเข้าซานก็เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่พักผ่อนได้ทําแล้วก็สบายใจเขา เล่ากันมาแต่หลวงพ่อไม่รู้เดี๋ยวผมลุกฟักอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพราะวมเคยสิน้นความเข้าใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงวอาพวกเราควรศึกษาและควรปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนไม่เหมือนกับนัดที่อื่นๆนัดที่อื่นๆสอนก็ไม่เหมือนกันกับ คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนก็สอนไปตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้อยู่เหนือกรรมได้เป็นผู้เอาศวะได้เราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟัง ไม่มีพรมเห็นตามอุดมการคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำอย่างใดก็ไ ด, เได้เรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่ได้ต้องมีคุกมีตารางเอาไปลงโทษกันเรื่องทางพระพุทธศาสนานี้มันเป็นที่มองไม่เห็นว่เป็นกรรมคือการกระทาแต่เรื่องอดีตอ น, นาคตนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า อดีตที่ผ่านไปแล้วจะแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันคือการกระทํานี่เองดังนั้นอาตมาจึงสํานึกได้ว่าเมื่อไปทํากรรมฐานนี่เองแต่ก่อนก็ไม่รู้กรรมนั่นล่ะตายแล้วไปจกนรกถ้าทํากรรมชั่วจะเป็นยังไงถ้าทํากรรมดี ตายแล้ไปขึ้นสวรรค์เป็นอย่างไนแตสวรรค์ก็ไม่รู้นรกก็ไม่รู้ดังนั้นจึงว่าควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะถามใครที่ไหนจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นเองอันนี้ได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังจะเทจกินแค่ไหนไม่สราบตัวมีพระ สุตสาพโพธิระเรียนพระไตรปิฎกจนจบแตกสารในพระไตรปิฎกแม้จะไปเทศไปทําที่ไหนคนได้ยินเสวะพระสุตสาพโพธิระไปแล้วแม้พระสุตสาพโพธิระพูดผิดก็ต้องฟังพูดทูกขก็ต้องฟั ง, งกลัวอำนาจกลัวความรู้กลัวความเข้าใจจะโต้อตอบไม่ได้เอาชนะ ไม่ได้เพราะท่านมีคมณรู้แต่สารในพระไตรปิดกกว่าอย่างนั้นอันนี้แหละจริงว่าเราจะไปเชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวนี้คนใดพูดดีเพราะดีคนชอบพูดอย่างนั้นอย่างนั้นภาคตุสะโพธละนี่แหละก็ได้ยินซื้อเสียงปรากฏขึ้นมาในยุคนั้นแต่อาตมาไม่เห็นเพียงคูบาอาจารย์เรให้ฟังเรื่อง น, นี้ อยากไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอยากไปสนทนากับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอยากไปถามพระพุทธเจ้าว่ายั้นก็ได้พอดีไปถึงพระพุทธเจ้าก็เดินไปกราบแต่กราบพระพุทธเจ้ายังไม่ได้หันได้ถามอะไรแต่กราบอย่างที่เราทํากันอย่างทุกวันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีให้ไว้เด็ดขนมธรรมเนียมของผู้ดีเขาล้มนักถือการกราบพอดีในขณะที่กราบอยู่หัน พระพุทธเจ้ากว่ามาเล้วหรือใบลานเปล่าหรือคมภีรเปล่าอย่างเนี้ยเรียกว่าคมภีร์ไม่มีตัวหนังสือใบลานไม่มีตัวหนังสือจะพูดอย่างนังกระไดเพราะว่าพระจุตสาพโพชิระแตกสารในคําพูดในอัดและวก็แตกสารในทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนั้นให้มาเล้วหรือกําลังกาบอยู่ใบลานเปล่า กัมพีเปล่า ว, ว่าอย่างนี้พราะได้กราบเสร็จแล้วก็เลยไม่กล้าโต้อตอบอะไรเลยทักทายกันเป็นธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ความคิดมันเหนือกันอย่างนี้แต่ว่าภาพตุสสาโพธิละนั่นก่อนเป็นผู้มีลูกศิษย์ลูกหาตาโคบาอาจารว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระละหันเป็นจนํานวนมากเป็นพระอนาคามีก็เป็นจนํานวนมากว่าอย่างนั้นแต่ว่า ยังไม่สว่างยังไม่เข้าใจในทางพระพุทธศาสนาจึงว่าศาสนาจึงมีมากความเห็นความเข้าใจมันจึงไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นลมกันคุยกันทักทายกันหลายเรื่องแล้วก็ได้เวลาพอที่จะกลับบ้านกลับวัดกลับสำนักตัวเองนั่นแหละก็เลยกราบพระเจ้าอีกิศจลาพระพุทธเจ้านั่นแหละลากลับวัดกับสถานที่นั่นแหละ กำลังกราบอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยทักขึ้นมาจะกลับแล้วหรือใบลานเปล่ากัรมพีเปล่าจะกลับแล้วหรือว่าอย่างเนี่ยจะกลับบ้านก็ว่ากรรมพีเปล่าใบลานเปล่าเมื่อไปกาบก็ว่ากรรมพีเปล่าใบลานเปล่าถ้าตุตสาโพธิระนั่นก็เลยเป็นยังไงเมื่อไปกาบก็ว่าใบลานเปล่ากรรมพีเปล่าเมื่อเรากราบ จะกลับบ้านกว่าใบลานเปล่ากรพี่เปล่าก็เลยมาถึงวัดก็เลยมาถามลูกศิษย์ลูกหาอยากฝึกหัดเรื่องการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาพูดง่ายๆก็เรียกอยากศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องมรรคผลนิ่ผ่านนี้เองก็เลยถามลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเป็นร้อยเป็นพันพุนที่ เพราะลูกศิษย์ลูกหาผู้มีเกยียรติมีซื่อมีเสียงอย่างนี้นแล้วก็เลยถามถามไปแต่แต่องค์ที่ลองท่านไปนั่นแหละไม่สามารถที่จะสอนครูบาอาจารย์ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไม่สอนถามไปถามไปจนหมดเลยถามไปจนไปถึงสามเณรน้อยองค์สุดท้ายว่าอย่างี้ให้สอนกรรมฐานให้แต่ว่าเรียนจนจบแล้วก็ยังไม่รู้กรรมฐาน เรียนแตกสารแล้วสอนคนอื่นพอแล้วแต่ตัวเองยังไม่เข้าใจเมื่อไปถามเนนเนนก็เลยบอกว่าถ้าคูบาอาจารย์อยากให้ผมสอนนั้นต้องเสื้อฟังคํำพูดคาสอนผมทั้งหมดผมบอกผมสอนยังไงคูบาอาจารย์ต้องทําเมื่อคูบาอาจารย์สามารถที่จะทําตามคํำพูดคาสอนของผมผมจะสอนผมจะแนะนําให้ วิธีทํากรรมฐานอาจารย์ก็เลยรับแต่ละภาพก็เลยได้ไปศึกษากับเนนน้อยนั่นเองดังนั้นเมื่อศึกษากับเนนน้อยนั้นเนนน้อยก็สอนให้แต่ในประเทศอินเดียพุทธาตามาไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่เพียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังปู่ทวด่าติทวดเล่าตามตามกันมาอย่างนั้นแหละก็เลยจําได้เป็นบางบทบางตอนเป็นยางไง เนนก็เลยสอนให้สอนให้กัต้องคลุมเสื้อคุมผ้าอะไรต่างๆให้เตรียมตัวให้เรียบร้อย น, นั่นแหละไปหาเนี่เน้นก็เลยบอกให้ลงน้ําดูท่านั้นสํานักนั้นอาจจะมีน้ําหรือมีสระมีอะไรต่างๆ น, นั่นแหละอาจารย์ลงไปลงไปน้ําเนี่ยอาจารย์ก็ต้องลงไปลงไปถึงน้ําแล้วผ้ามันจะซุกน้ํามันจะเปียกน้ํา อาจารย์ก็จะฮือผ้าขึ้นเนนเขาด้วยไม่ต้องลือ้อไม่ต้องยกขึ้นใต่ลงไปผ้าเขาจะเปียกไปลงไปเพียงหัวเข้าผ้าเขาเปียกแล้วพอแล้วลื้อเนนยังไม่พอลงไปลงไปธรรมดามันเปียกขึ้นมาเพียงขาเพียงแอวเพียงนี่แหละพอแล้วลือเนนไม่พอลงไปลงไปก็จิงนรอ ถามน้ำเพียงพอเพียงเออเข้ามาแล้วมันกัดหันใจพูดพอแล้วด้เนนเนี่กเขาบอกยังไม่พอลงไปลงไปจนเปียกหมดน้ำจนเปียกหมดเสื้อผ้าเปียกหมดเนี่ว่าให้ว่าเปียกบิดตัวนั่นแหละแต่อาจจะมาไม่เห็นจะเปียกหมดแล้วพอแล้วด้วยเนนเนีเน่ยเบอกพอแล้วกลับขึ้นมาได้เนนสั่งให้กลับขึ้นมาพอได้ขึ้นมาแล้วก็ถามเนนตอนนี้ก็ เป็นหน้าชิดจัดจะถามพวมผ้าเปียกอยู่หันก่อไม่สาบหรือว่าผัดเสื้อผัดผ้าหรือว่าท่ายเสื้อท่ายผ้าวาย่างกันไดแห้งแล้วนุงเสื้อใหม่ผ้าใหม่คลุมเสื้อคลุมผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วจึงจะถามอาตมาขอไม้สาบตอนนี้เพราะว่าเพียงเราเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังเท่านั้นเองถามเนนเอาเนนสอนกรรมฐ า, านให้เนนก็เลยสอนให้ การสอนก็ต้องสอนด้วยปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญญาไปอย่างนี้สอนมัน เ, เรื่องวะอาจารย์มีจูมโพลจูมหนึ่งมเนี่ยแล้วมีหูอยู่หกหูแล้วมีเหียอยู่ในจูมโพลท่านตัวหนึ่งแล้วจะจับเหียได้โดยวิธีใดจะเอาเหียโดยวิธีใดอาจารย์เป็นผู้แตกสารในการเรียนแล้ว เคยพูดเคยสอนมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็เลยเกิดวมคิดขมเห็นพ่อเคยสอนขนเนี่ยก็ต้องมีปัญญามากมันจะยากอะไรเดนเราจะขุดทั้งหกรูก็ได้อาจจะเสียเวลามันจะอยู่รูใดไม่รู้เราต้องอุดสะห้ารูอุดเรียกว่าอัดบ้านหลงเาเรียกว่าอัดอัดแน่นแน่นดันเข้าไปห้าหูห้ารู เฮี่ยมันออกมาไม่ได้เพราะดันมันนะมันนี้จ้องไว้รูเดีออกบัด น, นี้เราก็ไม่ต้องขุดไม่ต้องให้มันลําบากเอาค้อนหรือเอามีดเอาผ้าเอาอะไรไปนั่งหลอคอยอยู่ปากหูที่หูไม่อัดเนี่ยปากรูที่รูไม่อัดนั่นแหละว่าหูว่าหลวงขอเรียกว่าหูรูทางนี้เรียกว่ารูที่ไม่อัดนั่นแหละแล้วเฮี่ยมันหาย หันใจไม่ได้มันจะ อ, ออกมาหันใจข้างนอกเพราะมันอบอา้าวแล้วอัดไว้ทั้งหมดแล้วหนะ้ารูยังเหลือรูเดียวมันต้องออกมาโฮนะนั่นเองพอดีมันออกมาเอาคอนตีเอาหรือจะจับออกก็ได้นี่มันเป็นวิธีอย่างนี้เนยเนวเนก็เล ย, ย, ยบอกเหมือนกันและอาจารย์ที่อาจารย์สอนมานะ่ะจะว่าขันห้าก็ได้ อยายตนะก็ได้ท่าสิบแปดอินทรีย์ยี่สองอริยสัจ ส, สีปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่จะสูตรแล้วแต่จะพูดอนะความจริงแล้วมาจากใจมาจากใจเพราะเราไม่เคยเห็นใจเราใจน่มันอยู่ที่คนตาหูจมูกกายลิน้นใจเนี่ยนี่ว่าอยายตนะภายในหก อญญายญตนาภายนอกของลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารูปเป็นกฎแห่งกรรมทางนั้นจิว่าการกระทําก็เป็นกฎแห่งกรรมเอาสนะกรรมได้เพราะปัจจุบันอาตมาเคยพูดเคยเล่าเรื่องนี้มาบ่อยๆวาเอาเสือกผูกไวส้สนนั้นส่วนนี้ตัดตรงกลางแล้วเสื้อมันก็ ไปอยู่กับซ้นเดิมของมันเพราะมันตึงแล้เป็นยางที่ดีแล้เป็นยางตัดปุ๊บเดิมันขาดเขาแล้วมันก็ต้องคืนไปอยู่กับติดเสาเดิมทางข้างนั้นทางนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเอาชนะกลัมได้อยู่เหนือกลัมได้เอาชนะทุกได้อยู่เหนือทุกได้จริงๆความคิดความเห็นมันไม่เหมือนกันดังนั้นจริงว่าในประเทศอินเดียหาว่าพระเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิคนมี ไม่ใช่จะมีความเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกคนไปนะดังนั้นคำพูดคำสอนนั้นจว่าเลือกคัดจัดเอาแต่ละคนละคนชอบอยังไงก็อเอาอย่างนั้นที่อาตมาได้ให้ข้อคิดเห็นก็เห็นว่าสมควรแล้วเพราะว่าอาตมาไม่มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างที่พวกคุณได้ษารเล่าเรียนผ่านการศึกษาเล่าเรียนมามากต้องเป็นการแตกสารในความรู้ความเห็น นั้นจึงจะไม่เหมือนกันบางที่อาจจะเหมือนกันก็ได้เพราะการเรียนทรงจํานั้นจํามาจากตาําราจํามาจากคํำพูดอย่างที่อาตมาพูดมานี่ก็เช่นเดียวกันบางทีผิดก็ได้ถูกก็ได้แต่การปฏิบัติธรรมะนั้นอาตมากล้าและยืนหยัดรับรองตัวเองแต่ไม่รับรองคนอื่นคนอื่นนั้นจะเห็นผิดก็ได้เห็นถูกก็ได้เป็นเรื่องของคนละคน อย่างที่ผู้ที่มีจิตใจเหมือนกันพูดแล้วเข้าใจกันได้ถ้าหากพูดแล้วไม่เข้าใจกันได้ก็แสดงว่าความเห็นนั้นยังไม่ตรงกันยังมีการคัดค้านกันอยู่อย่างนั้น